ในโอกาสต่อไป <c oughs> เป็นเวลาปฏิบัติธรรมคือการเจริญจิตตะภาวนาที่จริงการปฏิบัติทางจิตไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหรืออย่าอยู่ในวัดแห่งเดียวมีสติรู้ดูจิต ในฟาร์มเป็นไปต่างๆขณะใดขณะนั้นชื่อว่าเป็นการเจริญจิตภาวนารือมีสติรู้ระวังและรู้วาระของจิ่อยู่เสมอว่าขณะนี้จิตของเราคิดเรื่องอะไรเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นบาปหรือเป็นบุญ อยู่ในครองของอารมณ์ภาวนาหรือนอกขรองอารมณ์ภาวนาความตามรู้จิตไวอย่างฉมันเสมออย่างนี้ชื่อว่าเป็นการเจริญจิตภาวนาทั้งสิ้นเพราะความตามรู้จิตเป็นเหตุให้เกิดความสงบเพื่อรู้เท่าทัน เหมือนกับว่าเรารู้เท่าทันคนที่เขาจะนำเราไปทางไหนชวนไปทางไหนหรือทำอะไรเมื่อเรารู้เท่าทันแล้วความมีสติความฉลาดความไม่เสียหายก็จะด้วยขึ้นจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อรู้ว่าจิตขนาดนี้เป็นอกุล ก็รู้อยู่เฉยๆก็ได้ดูก็ได้แต่อย่าไปคอยตามถ้าในขณะจิตใดจิตเป็นกุศลและเป็นบบเพื่อชำระกิเลส <c oughs> ก็พึงรู้และคอยตามส่งเสริมตาม <c oughs> การส่งเสริมตามก็คือว่าถ้าจิตกำลังดำเนินอยู่ในทางปัญญา <c oughs> ก็ให้เป็นไปตามนั้น ถ้าจิตกำลังสงบพ็ปล่อยให้สงบแล้วแต่ฟาร์มเป็นไปสงบก็ได้กำลังพิจารณาก็ได้เป็นเครื่องชำระจิตใจของตนให้เกิดฟาร์มของแผ่เหมือนกันหมดในเบื้องต้นพิจารณาก็เป็นสมถะและกำหนดรู้ไว้เพ่งไว้ก็เป็นสมถะ คือในเบื้องต้นนั้นถ้ามีท่าจิตอิังอารมณ์นึกน้อมเหนียวอารมณ์อันหนึ่งอันใดมาเป็นอารมณ์สิ่งนั้นก็เป็นส ม, มถะเช่นรู้กายคือท่าสี่ดินน้ำไฟลมในตัวเราและคนอื่นรู้อยู่อย่างนี้เพ่งดูความเป็นไปของกาย จะนั่งนอนยืนเดินอย่างหนึ่งอย่างใดก็รู้อยู่ก็ยังเป็นส่วนของสมถะต่อเมื่อรู้สภาพความจริงต่อไปว่าสริระร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ 4, คือดินน้ำไฟลมทั้งสี่ประการนี้มาประชุมกันกายนี้จึงตั้งอยู่ได้นะ รู้ต่อไปตาวามจริงว่าดินน้ำไฟลมแต่ละอย่างระยะก็เป็นอนิจจังทุกขงาาังอนัตตาน้าก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไฟก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลมก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสี่เป็นตายลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับว่าเราซื้อเก้าอี้มานั่งตัวหนึ่งและถึงแม้เราจะชอบมากก็ตามแต่ก็รู้ว่าต่อไปในวันหน้าน้ำมันสีต่างๆที่เขาทาไว้ความสวยงามก็จะเสื่อมไปไม่อยู่ในสภาพเหมือนใหม่ๆนี้ ความมั่นคงต่อไปก็จะโยคลอไปเสื่อมสลายไปเมื่อเรารู้อย่างนี้ความยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นของเราเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเขาจะเบาบางลงไปและเมื่อพิจารณาบ่อยๆค่อยๆเห็นตามความจริงก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นส่วนการดูกายดูชีวิตสรีระร่างกายนี้ก็เหมือนกัน ยอมเห็นความเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอแม้จะอยู่ในวัยใดก็ตามเพียงแต่ว่าเจ็บป่วยกันแล้วอาจจะหายง่ายกว่ากันกับคนที่ชรามากแต่อย่างไรก็ดีความเจ็บป่วยบางสิ่งบางอย่างที่มีความรุนแรงแม้ที่ร่างกายยังไม่ชราก็จะตามทางไม่ได้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างจึงไม่มีอะไรเป็นเครื่องแน่นอนความที่ว่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องแน่นอนนั้น ต่างกับทางโลกถ้าหากว่าทางโลกจะทํากายงานอะไรลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่แน่นอนก็จะเกิดความลังเลแต่ส่วนทางธรรมนี้ให้เห็นตามความจริงว่าทูกสิ่งผู้อย่างมีอะไรไม่แน่นอนเข้าหลออักของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเกิดความปล่อยวางในงความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนั้นความปล่อยวางนี้ ทำให้ใจของเรานั้นเบาภาระต่างๆคือถ้าหากว่าจิตของเราไปรับแบกภาระต่างๆไว้นั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นอย่างนี้เป็นต้นพ็จะทำให้จิตใจของเรากังวลอยู่แต่ในสิ่งนั้นคอยระวังแต่ในสิ่งนั้นถ้าปล่อยวางอารมณ์เรานั้นเสียบานที่ ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาก็หมดไปใจของเราก็จะสบายขึ้นเหมือนกับว่าเราอยู่น้ําเดินทางไกลเวลาได้ดื่มน้ําแล้วความหิวก็ระงับไปเวลาเดินต่อไปความห่วงใยเรื่องน้ําก็ไม่มีนี่เป็นข้อเปรียบเทียบส่วนหนึ่งจิตนี้ก็เหมือนกันหยุดความหิวกระหาย ในโรภะโทสะโมหะหรือราคะโทสะโมหะจิตนี้ก็จะเบาเมื่อจิตเราเบาก็จะเป็นเหตุให้เกิดความสงบง่ายเวลาที่เราจะทำความสงบทุกครั้งถ้าจิตของเรายังตระหนัำอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังปล่อยวางไม่ได้ ถึงจะพยายามเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านั้นหันมานึกแต่พุทโธอย่างเดียวเมื่อนึกได้เดียวความพิจิตต์ยังจ ะ, ะหนักในอารมณ์นั้นผูกพันอยู่ลึกๆก็จะกลับคืนขึ้นมาเป็นอารมณ์เดิมในขณะที่สติอ่อนหรือมีความเผลอตัวจิตของเราก็จะไม่อยู่กับอารมณ์พุทโธ ย่อมเป็นไปตามสิ่งที่นึกคิดนั้นเพราะฉะนั้นในการที่เรารู้จักละบ้างปล่อยบ้างวางบ้างทิ้งบ้างในสิ่ ง, งต่างๆเพื่อฝึกผนอบรมจิตใจของเราให้ถึงถึงความเบาเมื่อจิตเบาแล้วก็เป็นมุถุตาอ่อนโยนกำหนดได้ง่าย คือฟังได้ง่ายทำให้สงบได้ง่ายถ้าหากว่าจิตไม่เป็นมุขุู้ตาไม่อ่อนโยนไม่นิ่มนวลกระด้างต่างๆก็จะขมยากและถ้าหา่าขมมากไปเกินฝ่ากาหนดก็จะไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้น การค่อยๆชำระจิตใจของตนเองให้เกิดความพองแผ้วไปทีละเล็กละน้อยตามควรแก่ความเป็นไปอย่าฝืนจนเกินไปแต่อย่าปล่อยให้จิตร่าเริงไปตามอารมณ์อันเป็นไปนเครื่องรับเอามาซึ่งโรภะโทสะโมหะซึ่งจะทำให้จิตกลับซ้ำลายฝ่าเดิมถ้าความนึกคิด อารมณ์อันใดมีสติควบคุมไม่เป็นไปเพื่อความหอบผิวความรัดอารมณ์ที่เป็นอกุศลมาทำให้ใจเบาขึ้นพาะพึงสนองอารมณ์นั้นด้วยความมีสติสติเป็นธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมไม่ว่าสมถะ คือสมาธิหรือวิปัสสนาถ้าหาว่าสติอ่อนสติไม่พอกำลังแก่ควรภาวนาแล้วทาสมถะจิตก็ไม่สงบใช้ปัญญาพิจารณากอไม่เป็นไปตามวิถีทางที่พิจารณาคือไปไปเผือไปก็จะเปลี่ยนทางเช่นพิจารณาถึงเรื่องอนิจจง พิจารณาไปผ้าหาวเผล่เพราะอาจจะไปคิดถึงเรื่องราวทางโลกโดยไม่รู้สึกตัวดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้เจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสองประการนี้จึงจึงเป็นธรรมะที่มาเป็นคู่กันเป็นคู่กับปัญญาทำให้ปัญญาของเรา ดำเนินตามทางที่พิจารณาได้ในสมถะกรรมฐานหรือสมาธินั้นแยกเป็นสองวิธีการวิธีการหนึ่งจเจริญสมถะล้วนๆเช่นเพ่งจิตไว้เป็นอารมณ์ว่าพุโทโธพุธโทโธไว้อย่างเดียวก็ดีเพ่งบินน้ำลมไฟอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี อันเป็นส่วนของการบำเพ็ญฌานเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิจนถึงเป็นฌานเป็นอปปนาสมาธิย่อมมีความพิเศษซึ่งเรียกว่าอภิญญากำหนดรู้จิตใจของผู้อื่นบ้างและมีความพิเศษในความเป็นทิพย์ต่างๆเช่นรู้เห็นสิ่งต่างๆในที่ไกลที่ลั้ลั์ ต่างได้แต่ความรู้เห็นเหล่านั้นแท้ที่จริงแล้วก็นำมาประกอบกับการพิจารณาเช่นปุบเพนิวาสานุสติยานความเป็นผู้ระดึกชาติได้ในปางก่อนว่าเป็นอะไรอยู่ในภาวะอย่างไรยิ่งหลายหลายชาติก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์เพราะจะเห็นว่า แต่และชาติถึงจะมีภาวะเกิดต่างกันแต่มีทางเดินเหมือนกันไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นจากอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกับว่าในโลกนี้ในปัจจุบันถ้าใครมาชวนเราไปเที่ยวในที่ใดที่หนึ่งไปแล้วก็เห็นว่า ก็ไม่ต่างอะไรที่เคยเคยมีกันอยู่ใครมาชวนครั้งที่สองก็ไม่อยากไปจิตที่เห็นฟาร์มเปลี่ยนแปลงชาติแล้วชาติเล่าของอภิญญาเหล่านั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่วิปัสนาทําม่ให้ยึดติดไม่ยึดมั่นเพราะรู้ตามฟาร์มเป็นจริงในฟารมเป็นไปของทุกภพทุกชาติพระศ า, าสนาแสดงบ่อยๆเช่นคราวหนึ่ง พวนสามเณรชื่อว่าติสสะขึ้นไปอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งแล้วก็ชี้ให้เห็นภูเข า, าต่างๆลูกเล็กบ้างลูกตบ้างแล้วก็ตรัสกับสามเณรติสสะว่าชีวิตของคนเราที่เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายถ้ากระดูกไม่ผุจะใหญ่โตเหมือนกับภูเขาเป็นกองใหญ่โตเหมือนภูเขา เพราะเป็นกลับเป็นกันที่ผ่านมาเป็นเวลาสิ้นกาลนานมากคนเราอยู่อย่างมากร้อยปีปรป้อยกว่าปีแต่นี่เป็นอสาสงไขเป็นกลับเป็นกันถ้าหาว่าเป็นกระดูกแล้วก็จะใหญ่โตมากสมมติว่าไม้ในป่าทั้งโลกถ้าตัดมาไว้เป็นกองเดียวกัน มันก็จะเป็นภูเขาเหล่ากานี่คือกองไม้ถ้าหากว่าใครไม่เคยเห็นก็จะไม่เชื่อไม่เคยนึกไม่เคยคิดนึกถึงก็จะไม่เชื่อแต่ถ้าหากว่าจัดมากองรวมกันเป็นอย่างนั้นก็จะเห็นกองไม้นั้นใหญ่โตผมแม้จะเส้นเล็กๆถ้าทุกคนเป็นํานวนมากๆ เป็นแสนเป็นล้านคนโอนผมและมากองไว้ที่เดียวกันผมในน้อยที่เคยติดอยู่บนทิศก็จะเห็นกองผมนั้นมากมายใหญ่โตถ้าหาว่าคนจำนวนมากกว่านั้นกองผมก็มาฮือมานี่ย่อมเป็นไปได้ที่พระศาสดาตัสสิ่งใดถ้าวิเคราะห์และพิจารณาเห็นตามความเป็นจริง ก็จะเป็นไปตามสภาพของสิ่งนั้นไม่ร่วงพ้นจากภาวะสิ่งนั้นไปได้นี่เป็นส่วนอารมณ์ของการใช้ปัญญาพิจารณาเพราะฉะนั้น <c oughs> สรีระร่างกายของบุคคลที่เกิดแล้วเกิดเราตายแล้วตายเล่ า, ลาลพ่อมีประโยชน์อย่างนี้ทำให้เกิดฟ้าไม่ยึดติดไม่อะไรไม่อววรหาทางเป็นไปเพื่อความพ้นทุวกว่า ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นไปเพื่อความหมุนเวียนอย่างนั้นซึ่งเรียกว่าวัตฏะหมายความว่าหมุเวียนวกวนอยู่อย่างนี้เองเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตา ย, ตายแล้วเกิดส่วนกระดูกเป็นธรรมชาติในส่วนรูปรธรรมย่อมเป็นไปตามอาการเหล่านั้นตามธรรมชาติแต่จิตที่สิงสู่สถิต อยู่ในพบต่างๆมีความเป็นอะไรก็ย่อมเป็นไปตามอ น, นันต์ไปส่วนหนึ่งเช่นอยู่ในพบที่เป็นมนุษย์ก็มีความเป็นส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเกิดพบที่เป็นเทพก็มีความเป็นอยู่ส่วนหนึ่งในสิ่งแวดล้อมเขาทำากันอย่างไรเขามีนิสัยกันอย่างไรได้รับการอบรมอย่างไร ในพบที่สูงกว่าก็จะประนีตขึ้นในพบที่อ่อนฝาก็จะยากขึ้นเป็นประจำลำบากเพราะฉะนั้นคนบางคนที่เกิดมาแล้วทาไมมีนิสัยไม่ชอบทาดูร้ายเป็นต้น<ๆ>ก็จะอาจอาจผา่านภพชาติที่ต่ำกว่ามนุษย์จึงมีนิสัยสิ่งเหล่านั้นติดมาหรือไม่ได้อยู่ในปัจจรูประเทศ ไม่มีผู้อบรมไม่มีผู้สั่งสอนซึ่งจะทำให้มีนิสัยความเป็นไปอยากกระด้างฝ่าบุคคลที่ได้รับการอบรมดีเหมือนกับว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนครูอาจารย์เขาอบรมมาดีแล้วนักโทษที่อยู่ในคุกถึงแม้จะได้รับ การอบอรมและทรมานจากผู้คุมชายผู้บวชในพระาศาสนาคนเหล่านี้เมื่อพ้นจากอาวะนั้นแล้วถามว่ามีนิสัยต่างกันหรือไม่ย่อมต่างกันแน่นอนคนที่บวชมาประกอบไปศีนธรรมก็จะเห็นชอบตามศีนธรรมผู้ที่เรียนมาก็จะเห็นชอบความรู้ความส า, ามารถในศิลปะวิชาการ ผู้ที่ผ่านฟาร์มหยาบมาบางคนก็อาจจะกลัวมากเลยบางคนที่ไม่กลัวก็เอานิสัยบางสิ่งบางอย่างที่ไปคบหาสมาคมกับพวกนักโทษด้วยกันนำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติอาจจะเกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นก็ได้พบชา ต, ต่างๆในฟาร์มเป็นไปเหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายย่อมเบื่อเวียนเป็นไปอย่างนี้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในภาวะอย่างนี้ เกิดสวรรค์มีภาวะอย่างนี้เกิดนรกเป็นภาวะอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้มีญาณกุเพนิวาสารสุญญารู้เห็นตามความจริงแล้วย่อมนายไม่มีทางไหนที่จะพ้นในภาวะนั้นๆก็คือการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาเห็นตามความจริง จนปล่อยวางในสิ่งทั้งที่ไม่ดีและสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีคือในภพทุสถานพพมีเดริชานเป็นต้นในสิ่งที่ดีคือในพพที่เป็นสุคติมีเทพพยาดาเป็นต้นก็รู้ตามความจริงว่าในพพเหล่านี้ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดประสบความแปรปวน แปลผันไปอยู่เสมอไม่คงที่จึงเกิดการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าสมมติว่าเรามีจิตเป็นสมาธิดีแล้วอายุมากแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ตามก่อนละร่างสังขาร น, นี้ไปถ้าหาว่าทำจิต ให้เป็นสมาธิเป็นฌานแล้วตายในขณะนั้นไปสู่พรมโลกพรมโลกยังมีการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าหากว่าในขณะจิตที่จะดับนั้นพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ที่สงบนั้นว่าเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาจิตเกิดฟานปล่อยวางมายึดมั่นถือมั่นไปสู่นิพพานได้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นข้อเปรียบเทียบภาษาวลกมีภาษารีบุตรก็ดีดำเนินขอนไมปรญนิพานก็คือเข้าชานที่หนึ่งสองสามสี่หกเจดแปดแล้วก็ถอยลงมาจนถึงชานที่หนึ่งแล้วก็พิจารณาพินทานที่สใช้เข้าชานที่ห้าว่าตรงนี้ดับขันม่ไนนอด้เกาะอยู่ชานที่ห้าฌานที่สี่จุดนี้เป็นจุดนิพาน คือว่าจึงไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมในครั้งสมัยพุทธองค์ก็ดีและในสมัยหลังๆก็ดีบางทีเจ็บป่วยอาพาดอยู่นานๆและในขณะอาพาดนั้นก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้จึงอาศัยธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้พิจารณากายว่า เป็นอนิจจังเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนี้ไม่ว่าอะไรเป็นทุกข์ทั้งสิ้นและก็ปรงทุกข์เหล่านั้นว่าทุกข์มีสภาพฟาร์มเป็นจริงอย่างนี้ให้ทุกข์เป็นไปเฉพาะส่วนร่างกายแต่จิตของท่านไม่ได้เป็นร่างกายเป็นนามธรรมกายทุกได้ทุกไปทุกจนคนไม่ไหวก็ตายไป จิตไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกข์ที่เกิดทางกายนั้นจิตใจเขาเกิดความสงบและเห็นตามความจริงว่าสรีระไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นอนัตตาอย่างนี้จึงปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงเพราะไม่ติดเมื่อไม่ติดก็ปล่อยวางที่แสดงมานี้เป็นส่วนหนึ่งของทางสุดสายปลายทางเพื่อถึงซึ่องความดับทุกข์ ส่วนผู้ที่ปฏิบัติในขณะเจ็บป่วยอ า, าพาธมากๆหรือเจ็บป่วยมากๆและพิจารณ า, านั้นพอสิ้นชีพก็บรรลุพอจะสิ้นชีพก็บรรลุธรรมถึงที่สุดและก็นิพพานเขาเรียกว่าสมะสีสีคือดับกิเลสด้วย และดับชีพด้วยในคณะเดียวกันท่านผู้ได้ถึงธรรมในสมะที่สีนี้ก็ส่วนหนึ่งมีแต่ทุกข์เขาเรียกว่าทุกขภาปฏิปทาทันตาพิญญาปฏิบัติก็ยากรู้ก็ยากและเมื่อปฏิบัติอยู่ เจ็บป่วยมากก็ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นเมื่อไม่มีพึ่งพาอาศัยผู้อื่นถ้ามีปัญญาพึ่งปัญญาพึ่งธรรมรั้นเมื่อได้บรรลุธรรมถึงที่สุดชีพนี้ขาดสิ้นไปนิพพานไปเพียงแต่ว่าท่านเหล่านี้ไม่มีโอกาสช่วยพระาศาสนาหนึ่งไม่มีโอกาสสั่งสอนผู้อื่นในวิธีการต่าง ที่ตนเองได้ประสบแล้วนั้นเพราะได้บรรลุและข้อนิพพานประการที่สองต้องมีทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นปฏิบัติได้อย่างลำบากประการที่สามมพึ่งพาอาศัยผู้อื่นในขณะ เ, เกิเดความเจ็บป่วยได้งะปวดเจ็บป่วยมากนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างอาหารก็ดีทุาวุจระปัสวะก็ดี เมื่อร่างกายช่วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันผู้ที่บรรลุธรรมถึงที่สุดดังกล่าวมาแล้วนี้มิใช่ว่าจะเป็นการเสียประโยชน์ทุกอย่างไปย่อมทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ก็เห็นหลงอานิจจงว่าอานิจจาวจะสร้างคาราสร้างขานทั้งหลายไม่เที่ยงหนา อุปาถเวยธรรมนิโนโเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปดับไปอุปชิตวานิรุตชันติเตชังูปเปประสมโอสุโคดังนี้เป็นจน้นทำให้นึกถึงอารมณ์ของผู้อื่นนั้นมาเป็นตัวเองจะได้เกิดจะได้จะเกิดความไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมไม่ว่าทั้งสมถะและวิปัสสนา ในขณะนี้ถ้าหากว่าเรายังสมถะไม่ชำนาญก็ฝึกให้ชำนาญเมื่อชำนาญแล้วก็ค่อยๆพิจารณาให้เป็นวิปัสนาให้มากขึ้นจนเกิดความรู้จริงเห็นจริงในส่วนใดส่วนหนึ่งยังไม่หมดก็ไม่เป็นไรจะทำให้ดับกิเลสกองทุกข์ต่างๆอันเป็นทุกข์ที่นำพาให้เกิด คือสมุทัยได้แก่ตัญหาต่างๆได้ลงบ้างทําให้ชีวิตนี้มีคุณค่ามีคุณความดีในธรรมถ้าเกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาพ่อแม่เป็นพุทธศาสนาญาติพี่น้องเป็นพุทธศาสนาแต่เราไม่ได้ชำระจิตใจของตนเองตามคำสอนของพุทธศาสนาเลยเกิดมาของเก่าตายไปกบของเก่าไปอีก และก็ไปสืบของข่าวอีกถ้าไม่มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาในชาติต่อไปของข่าวที่เคยพบเคยเห็นก็จะไม่รู้เรื่องและไปสะสมอะไรใหม่ๆขึ้นซึ่งเป็นอนกทางก็ยิ่งจะหนักขึ้นหนักขึ้นและในที่สุดอาจจะเปลี่ยนพบต่ำลงเป็นอบายภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เพราะฉะนั้นชีวิตที่ยังมีอยู่อย่าประมาทควรรีบพรมความเพียรเสียที่พระผู้มีเส้าจักสอนว่าความเพียรเป็นกิจที่กองทําวันนี้ใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้มลือนี้เรื่องนี้เดือนหน้าปีหน้าเป็นต้นความตายมีมีเครื่องหมายที่จะบอกบุคคลให้รู้ก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสอนว่าอย่างนี้ ่วนมีพระไทัยเมตตาปราถึงผู้ที่ยังเป็นปู้ดุชนโดยตรงส่วนพระอริยะท่านมิยานอยางรู้ในวาระของท่านและชีวิตของท่านที่อยู่มากน้อยเพียงใดเต็มไปด้วยประโยชน์ที่จะปกป่องจิตของบุคคลอื่นให้รู้เห็นความจริงว่าิีบาควรละเสีย นี่บุญควรจเจริญให้เกิดมีขึ้นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างควรละเสียจึงจะเกิดความพ้นจากทุกข์ทั้งพวงได้เหล่านี้ย่อมเป็นประโยชน์เป็นอันมากเพราะฉะนั้นคำสอนพระ อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระสาวกที่รวมกันอยู่ในพระไตรปิฎกจึงมีคุณค่าต่อผู้ที่เกิดมานภายหลัง จะได้ศึกษาหาความรู้แล้วมาปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้มีศีลที่บริสทธิ์บริบูรณ์อย่าให้ตกตามไฟฝานี้ถ้ามีสติปัญญามีกำลังมีศรัทธาประสาทะเพิ่มพูนให้มากุณ้โดยการเจริญสมาธิถ้ามีศรัทธาประสาทะและมีกำลังใจแรงก้าจเจริญใหถึงปัญญาวิปัสนา จะรู้ในวาระในขณะใดที่เป็นภูมิของพุทโสดาบันพุทธกัทาคามีถ้ารู้ว่ามีกําลังทำได้ทำให้ถึงทำให้ได้อย่าให้ผ่านเลยไปจากนี้เพราะผ่านไปแล้วไม่รู้ว่าไปเป็นอะไรไปที่ต่าไม่มีโอกาสไปที่สูงบางทีก็ไม่มีโอกาสเพราะไปติดอยู่กับความสุขในขณะนี้เป็นกลางๆรับทั้งสุขทั้งทุกข์ พอจะเห็นแจ้งชัดทั้งสองข้างว่าอันนี้มืดอันนี้สว่างอันนี้ดำอันนี้ขาวจึงควรชำระจิตใจของตนให้พองแผ่วด้วยเกินการเจริญสมถภาวนาและเมื่อชํนานาญแล้วก็เจริญวิปัสนาตามสงควรกัความเป็นไปดังกล่าวมาดังนั้นต้อ น, นี้ไปตรงตั้งใจอบรมเจริญจิตภาวนาหรือการพิจารณาก็ตาม เพื่ออรมจิตของตนให้สงบและความรู้แจ้งตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป